ข้อนอกน้อมแด่พระผู้ม <karma> ีพระปากเจ้าผู้ใกล้จากกิเลดทัสนูชอบได้โดยพระองค์เองข้อกับคารวะรมณ์พ่อเขียนหพอกลมขอขอการจากคณะสมเจริญพรญาติโยมทุกท่านครับก็ตามสบายยแล้วกันนะครับ ขอพวกเราก็ชีวิตเป็นบำปัดชิตชีวิตเป็นนักปฏิบัติธรรมขอหน้าที่ก็เจริญธรรมะที่อยู่ในใจให้งอกงามแห่งกุ ร, รธรรม ให้เจริญรื่นเรอนก็ทำหน้าที่ก็ได้อานิสนมากมายอานิสน์ที่สำคัญมากที่สุดก็คือการดับทุกข์พุทธศาสนาสอน ง่ายๆก็ว่าจากความทุกข์กลายเป็นการดับทุกข์อดความทุกข์สิ้เนเจิญก็นี่ก็เป็นหนักปฏิบัติรามก็ตามไปเรื่อยๆ งานปฏิบัติรรมคายกับการทำอาหารก็ว่าได้ <c oughs> เพราะว่าพ <c> ว <oughs> กเราก็ตอนที่ทาอาหารก็เอาซือ้อของ เป็นผักมากเป็นปลาปลาบ้านเนื้อบ้านมาใช้เพื่อประโยชน์ให้รังขายก่อนเราชีวิตให้ตัวโตวแล้วก็มี่สืพักสืขภาพให้ดี อ๋อปฏิบัติธรรมนี้ก็เอามันกันเป็นเพจปัจจัยเป็นเป็นอารมณ์เป็นการเห็นรูปแล้วก็ได้ญินเสียง เปนอตัตปะสัมปัตติรสชาติแล้วก็ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจำหรือว่าเป็นอะไรต่างๆความคิดเอามาใช้ให้ประโยชน์เราก็พยายามที่จะ สแสวงหาบรรยากาศสิมเปรล้อมที่ดีเพื่อนที่ดีนี่ก็เป็นพื้นฐานเป็นมงคล อ, อ่านี่ก็สำํำกันแล้วก็เลือกได้ เป็นว่าเลือกสิ่งที่ดีบรรยากาศที่ดีเป็นสัพเพยาจะได้เจริญชีวิตจิตใจให้งอกงามได้ง่ายเหมือนกับว่าคนที่ทรอาหารก็จะซื้อของ สินที่ดีผักสดหรือก็ไม่น่า อ, อมาใช้มันซิมโบริสุมาใช้เราก็เหมือนกันแบงหาบรรยากาศ ที่บริสุทธิ์สดชื่นแป็นว่าป่าสุกตโตก็ดีเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นป่าไม้เป็นธรรมชาติสดชื่นบริสุทธิ์ได้เสียนหรอ c r o s เสียน อะต่างๆนี่ก็มันก็มีค่าอยู่แล้วจะได้เจริญจิตใจได้ง่ายก็พบกับคอมบัณฑิตได้ด้วย โอกาสที่พบกับคอมปานไม่มีเ้อะน้อยแล้วก็อยู่ในแต่สมควรเป็นสินเวทสินสานที่ดีอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเพราะเราก็มมีพื้นฐานอยู่แล้ว เป็นรอบๆรอ บ, รอ บ, อบคุดีบรรยากาศธรรมชาติแต่บานทีก็ก็ไม่พอนะกาศใสบรรยากาศหรือว่าเป็นคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตที่นี่ตลอด บันทีมีโอกาสไปเที่ยวไปทุระออกไปข้างนอกนี่ก็บทเรียนมีโอกาสตบอาจจะจะลอนดูจะใช้ประโยคได้ไหมเพราะว่านั่นนอกก็มี คมที่ผ่านบ้างหรือว่าเป็นบรรยากาศก็ข้อมูมรายก็มีเหมือนกับว่าเราก็อยากจะซื้อของสินที่ดีแต่บางทีก็ที่ร้างก็หมดผักที่สด ไม่ได้หรือว่าก็ถ้าเราก็ทำไรตำนาบันทีฝนตกบ้านแดดร้องบ้างก็จะได้รับผกที่ไม่สมบูรณ์ ก็เพราะว่าว่าจ ะ, ะนั้นนี่ก็เราก็ต้นเอามาใช้สิ่งที่มีอยู่ให้ประยโยชน์ทอชีวิตก็เป็นเป็นนักามอาหารนี่ก็จะใช้ผีมือ ไอดีที่สุดจะได้เป็นอะไรเป็นเป็นอันตามมาเป็นธรรมอาหารเป็นอร่อยก็ได้เพื่อมีประโยชน์ได้ความอร่อยนี่ก็ถ้าเป็นเรื่องจิตใจก็เป็นความสุข แล้วก็มีประโยคต่อชีวิตต่อเป็นร่างกายนี่ก็เป็นถ้าเป็นเรื่องจิตใจก็เป็นเป็นความรู้เราก็เอาความสุขกับความรู้มาพร้อมๆกันได้แลบางทีเราก็ เอาแต่ความ อ, อร่อยอร่อยแต่อย่างนงานก็มันอาหารนี่ก็จะเป็นง่นใหไปหยอกตัตชีวิตก็ได้มันจะนั่งให้เป็นพร้อมๆกันนั่นก็ดกีด เป็นความสุขด้วยความรู้ด้วยเราไม่ตมปฏิเสธความสุขเอาความสุขด้วยกันเป็นชีวิตก็รุ่นรวนเป็นสมบูรณ์ได้ก็อันที่ในยินเสียน มีคมพูว่าต่าเราก็มีาใช้คำเป็นสกรปรกก็มีแต่ว่าเรารู้เท่ารู้ตามมีสติก็เราก็แยกแยะว่าแล้วก็เข้าใจ คำศัพท์ที่เขาพูดมาเราก็ได้แยกแยะก็เป็นแยกแยะเป็นความหมายดับความเสียงเป็นแยกแยกกันได้แม้ว่าเป็นเสียงมันก็ ไม่น่าฟันก็เอามาไม่ต้องเอาแต่ว่าแมนความหมายอาจจะดีตัวเราก็ได้หรือว่าเป็นคำศัพท์ที่ผิวพื้นของเขาอาจจะเป็นความด่าว่าดา่า ถว่าตาดูดีดีแล้วก็เป็นมีประโยชน์ก็ได้เป็นอารมณ์ทำให้เราเป็นคนดีก็เลยว่าดาว่ามีเพราะว่าเป็นกงความกลางว่าดาเป็นจากความโกรธ ความกรอดนี่ถ้าดูดีๆ ท, ทุกครั้งก็มีความอยากแต่ไม่สำเร็จหรือว่าไม่ทําตามไม่สมความหวังก็ไม่พอใจแห่งความเมื่อนิด เลยออกว่าด่าจริงๆอยากให้เป็นเขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็คิดดีอยากให้เราเป็นคนดีไ ม, ไ, มไม่พอใจว่าเราไม่ทาตามเขาไม่พอใจว่าด่าก็ได้ ก็เลยบันทีมันก็เห็นแล้วก็ความหวังของเข า, ม, ามีอยู่แต่เราก็ได้ยินเสียงยันเดียวก็ไม่นาฟันแต่ว่าถ้าดูจิตใจของเขาอาจจะเป็นส ม, สมความ พัฒนาที่ดีก็ได้เรากออ็ดูลึกๆไม่ได้ดูแต่ผิวผืนเราก็ดูดีๆรู้สึกตัวตัวเราเองก็เข้าใจได้ มาทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความกรความโกรธก็มีความหวังแต่ว่าไม่อีกสมหวันก็หมดกำลังใจหมดหวันทุกใจแต่เราก็ยอมรับทุกใจรู้ไม่รู้เท่าไม่รู้ทัน ก็เลยความกรอดออกไปว่าดาอย่างนี้อย่างนั้นก็เหมือนกันทุกกองก็มีความหวานเป็นปรัถนาก็ามีอยู่ถ้าเราก็ดูดีๆก็เข้าใจเขาว่าเป็นอันเดียวกันแอมพูที่ดู ลึกๆลึกซึ่งไม่ได้เอาเพิ่เผลอมาใจเป็นปฏิกิริยาทัอดต่อไปแต่นคนที่มีปัญญาก็ติดจารนากันได้ก็เข้าใจ ของเขาได้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นธรรมะเรื่อนเรื่อนก็มาใช้เป็นประโยคตความรู้เป็นบทเรียนจากได้รินเสียงก็ดี หรือว่าเป็นเสียงในใจเป็นภาษาในใจของเราก็เป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความคิดอารมณ์ต่างๆความจำก็มาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ ถ้าเราดูดีๆแล้วก็ธรรมดาพวกเราก็พูดถึงอดีตอนาคตก็อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เข้าใจได้ปังว่าคิดเป็นความจำเกิดขึ้น ของสมัยเราทำงานไม่สำเร็จมันเกิดขึ้นอยู่ที่ใจมันเป็นปัจจัยพอจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกกลุ้มใจบ้างเจ็บใจบ้างแต่ว่า ถ้าเราก็ตำตำเจ็บความเจ็บใจกลุ้มใจก็จะเป็นความทุกข์แล้วก็ว่าด่าตัวเองบ้างหรือว่าว่าด่าคนนี้คนนั้นไปเรื่อยๆเป็นจิตสังกาจความปุ่นเตนก็ทุก ก็ซ้ำซ้ำไปตุกมากขึ้นแต่ ว, ว่าถ้าเราก็นักธรรมหารจิตใจของเราตัวเองก็เชี่ยวชาญได้แล้วก็เราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้รู้เท่ารู้ทัน อ๋อแม่ความจำที่ก็มันงกึ่มใจก็ยอมรับนี่ก็เป็นเบตนาเป็นทุกกเบตนาทานใจอย่างเดียวเราไม่ใจสานเป็นตังหาปัาตา ว่าตัวเองว่าตัวคนนี้คนนั่นได้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นย่อยขึ้นเป็นทุกข์ก็มากขึ้นเอาเป็นบทเรียนว่าัวนน้นไม่สำเร็จสาเหตุอะไรสาเหตุก็ที่เราทำอย่างนี้อย่างนั้นเออเข้าใจแล้ว ก็ต่อไปก็เป็นบทเรียนต่อไปก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นให้เลือกอย่างอื่นก็แบ่งมีความรู้อยู่แล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นความจำที่เป็นการไม่สำเร็จนี่ก็มันอันเดียวกันแต่ว่าเราก็เลือก เพราะว่ามีสัติมีสมาธิมีปัญญาสมาธิก็การยอมรับได้เป็นใจกว้างขวางใจไม่มั่งกลสิ่งอะไรเกิดขึ้นก็รับได้แต่ว่าไม่ได้เป็น ปัญญาก็เข้าใจของสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้าทำเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็เข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้อดีต เป็นปปะโยคไ ด, ยด้จิดใจเรื่องอนาคตก็เหมือนกันเรื่องอนาคตก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นความคิดก็สร้างเรื่องอนาคตเอาถ้าเป็นเชิดสำนึกเป็น เป็นว่าภาพในใจว่าอนาคตก็ไม่สำเร็จของว่าตาเราจังเ ง, งาว่าเบก็คิดในปัจจุบันนี้ จริไม่ใช่เป็นเรื่องอนาคตอะเป็นอนาคตมันก็เป็นเรื่องปัจจุบันเรากกำลังสร้างอยู่คิดอยู่ก็เป็นผมก็ได้ความทุกข์เพราะว่ารู้สึกงำบนใจเป็นรู้สึกความกลัว a n g k เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนที่เราคิดอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่สำเร็จเราจนั้งเกาก็ให้รู้เตารู้ทันว่าเออคำนัน้นทำกรรมในใจเป็นการทานจิตใจสมโนกรรม ที่สร้างขึ้นมาอยู่ก็ปล่อยได้ถ้ารู้เท่ารู้ตันแล้วก็ปล่อยได้ก็เราก็เป็นสติมาี่ก็ช่วยแล้วก็เข้าใจเป็นปัญญาก็ช่วยเราก็เลือกความคิดได้ ว่าเป็นเป็นความหวันที่สำเร็จได้ด้วยในปัจจุบันว่าเราก็เป็นผู้ที่เป็นการเลือกได้ถ้าเป็น <c oughs> สติมีสติก็ธรรมวิชยะก็เกิดขึ้น ทำมาวิจยก็ความรู้ความดีด้วยความรู้ก็เป็นเข้าใจพิ น, นิษฐพิจรารณาเครื่อยแองสิ่งอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชัดขึ้น เป็นศัจธรรมแล้วก็เราก็การเลือกได้ด้วยด้วยความดีแห่งกุศลอันทางกุศลกับทางศัจธรรมก็เกิดขึ้นแม้ว่าอะไรเกิดขึ้นทันใด น, นั่ง เป็นเหตุเป็นบรรยากาศหรือว่าด้านในเป็นเหตุความจำความคิดนึกปาปาก็มาใช้เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตเราได้เป็นความรู้สร้างความรู้สร้างความดี ในปัจจุบัขนขณะนี้ปัจจุบัขนขณะนี้เราไม่ต้นทุกข์ได้มันทุกข์ก็เพราะว่าเราก็กิดปรุนเต้นไปโดยไม่รู้ตัวเ่านังเอนมาไม่ใช่มาจากด้านนอกหรือว่าด้า น, นในแค่เราทำกรรม ที่โดยไม่รู้ตัวที่มีอยู่ตัวมีตนก็เลยทุกข์ก็เราก็เอามาใช้เป็นเหตุที่ด้านโนนด้านนนมาใช้แล้วก็มีประโยคตทั้งหมด ก็เหมือนกับว่าเป็นคนรัตามาหารที่เก่งๆก็เอาสิ่งที่เรามีอยูม่มาใช้ให้อร่อยด้วยให้เป็นประโยคน์ต่อชีวิตเราได้ด้วยนี่ก็ทำไปเรื่อยๆจะได้พีมือก็แกงเกื้อเกงขึ้น อันที่ก็เอาเครือมาใส่เก็มมากกึมไปรือว่าพิงต้มมากกึมไปก็อาจจะไม่อร่อยไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตตได้แต่ว่าเราก็รู้ไม่หมดกำลังใจมาใช้มาลองดูทีกันหนึ่ง ก็จะได้รู้พอดีพอดีตัวชีวิตของเรามีประโยชน์ได้กึ่งไม่โทษแท้ทำไปเรื่อยๆก็การปฏิบัติธรมก็เหมือนกันมันทีก่ก็คิดไปอดีตเป็นนานาคต ไปสร้างขึ้นก็ให้รู้เท่ารู้ทันคิดมากขึ้นทุกก็รู้แล้วก็คลายใจการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เวลาที่ใจสงบอย่างเดียวเราคิดเต็มพื้น้าง เรารู้แล้วก็กลับมานี่ทำหมดนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นมีประโยชน์ทงหมดทั้งสิ้นแล้วก็ทำสำเร็จป้านทำปิดบ้านทำไมเป็นไรเราก็อดกำลังใจไม่ท้แท้ ทำไปเป็นเบริยะเป็นความเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะได้ฝีมือจะทำจิตใจให้เป็นประโยชน์ได้มีความสุขได้เรื่อยๆๆได้สร้างปัญญาก็การปฏิบัติ รอมบ้านลูกบ้านก็ตามไปเรื่อลืเป็นซมซัมเป็นเป็นชีวิตปัจจามปัจจุบัานกนะัะปัจจุบันกนณะแล้วก็ สิ่งที่เรามีใจดีขึ้นแล้วก็ไม่จบ ก, ก็แจกไปแยกยาแจกให้เพื่อนๆที่รอบรู้รอบตัวก็เหมือนเป็นปศาสนาก็เหมือนกัน ทำอาหารำอาหารเราก็ทำได้ฝีมือดีแล้วไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวก็แจกให้เพื่อนมีได้กินได้ทานมีความสุขมีความเจริญไปเรื่อยๆ เพราะพวกเราก็เหมือนกันมีเป็นเนตตาเต็งการุณาแล้วก็อ่ามติตามาแบกกาไปมาใจเพื่อประโยชน์ต่อชีวิต ป, ปัญญาก็มีอยู่แล้วเราปฏิบัติก็มากขึ้นมากขึ้นก็เพยแผ่ธรรมะให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขความสุขความเจริญไปเรื่อยเรื่อย จะได้เป็นปัญญาก็มีประโยชน์ในโรคนี้ได้โลกนี้ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวกาอยู่เป็นเพื่อนเป็นสัตนดลายเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกัน ก็เลยเราก็ทำหน้าที่ก็ให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขด้วยกันเป็นมุติตาใจสาม u l e ให้สร้างขึ้นในโรคนี้ไปเรื่อยๆก็เราก็เอาเหตุปัจจัยมาใช้ ไยอตัวชีวิตตัวเองแล้วก็เป็นครอบครัวสังคมแล้วก็ลอกท่านป่วนว่าได้เป็นพุทธศาสนานี่ก็เป็นมีความทำได้ นะครับก็คิดว่าพอสองกองแกเวลาสำหรับเช้านี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรามีความนักปฏิบัติทุกคมทุกท่านมีความสุขความเจริญได้สำเร็จในการเจริญภาวนาสติปัญญากิดขึ้งให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราและ สัทธรรมหลายเพื่อนทุกด้วยให้เป็นมีความสุขความเจริญได้เจริญมรรคผลนิปานในปัจจุบันาะาาตินี่ทุกคนตื <c oughs> ่นขปะพรมการยมอายะ <c oughs> ยม